จุนวณนวันนาพรานเจตบุตรให้พรามชูชกบริโภคแล้วให้กระบอกน้ำพึ่งและขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นสเสบียงเดินทางอย่างนี้แล้วยืนที่หนทางยกมือเบื้องขวาขึ้นเมื่อจะแจ้งโอกาสเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระเวสสันดรมหาสัตว์จึงกล่าวว่ามหาพรามนั่นภูเขาคันธามาตอันล้วนแล้วด้วยหิน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 ประทับอยู่ณอาสมใดเมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดรนจะได้เห็นอาสมนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าคันธมาศคันธมาธโนความว่านั่นภูเขาคันธมาศท่านบ่ายหน้าทางทิศอุดรนเดินไปตามเชิงภูเขาคันธมาศจากเห็นอาสมที่เท้าสักกะประธาน ซึ่งเป็นที่พระราชาเวสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีประทับอยู่คำว่าเพศเป็นพราหมณ์พรามณวันนางได้แก่เพศบรรพชิตผู้ประเสริฐข้อว่าขอสำหรับสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาอาสทันจะมะสันชะตังได้แก่ ทรงขอสำหรับสอยเก็บพลาผลภาชนะสำหรับใช้ในการบูชาเพลิงและชดาคำว่าทรงนุ่งหมหนังจำมะวาสีได้แก่ทรงหนังเสือเหลืองคำว่าบันทมเหนือแผ่นดินชะมาเสติความว่าบันทมเหนือเครื่องปูลาดใบไม้บนแผ่นดิน คำว่าไม้ตาแบกบไม้หูกว้างไม้ตะเคียนทวัสกันนาขะิราได้แก่ไม้ตาแบกบและไม้หูกว้างและไม้ตะเคียนข้อว่าดังมานบดื่มสุราคราวเดียวสกิงปีตาวะมานะวาความว่าเป็นราวกับ น, นักเลงดื่มน้ำเมาดื่มครั้งเดียวเท่านั้นข้อว่าบนกิ่งไม้ อุปริธุมะปริยาเยสุได้แก่ที่กิ่งแห่งต้นไม้ทั้งหลายคำว่าท่านได้ฟังเสียงปานดังเสียงเพลงขับสังคีติโยวะสุยเรความว่าจะได้ฟังเสียงของเหล่านกต่างๆที่อยู่กันจุดทิพยสังคีตคำว่านัชชุหาได้แก่นกโพระดกคำว่าบิน สัมปตันติได้แก่โผบินส่งเสียงร้องเจียวเจ้าข้อว่าสะบัดกิ่งและใบเสียดสีกันสาขาปัตตะสมีริตาความว่าเหล่านกถูกใบแห่งกิ่งไม้เสียดสีก็พากันส่งเสียงร้องเจียวเจ้าหรือกิ่งไม้มีใบอัลมพัดแล้วนั่นแหลข้อว่าคนผู้จะผ่านไปอาคันตุง ได้แก่คนที่จะจากไปคําว่าใดยัตถะความว่าท่านไปในอาสมบทซึ่งเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระเวสสันดรแล้วจะเห็นสมบัติแห่งอาสมบทนี้พรานเจตบุตรเมื่อจะพันน า, นาถึงอาสมบทให้ยิ่งขึ้นกว่าที่กล่าวมาแล้วนั้นจึงกล่าวว่าในบริเวณอาสมนั้นมีหมู่ไม้มะม่วง มะขิดขนุนรังว่าสมอพิเพกสมอไทยมะขามป้อมโพผุทซามะพลับทองใสมะสังมะสางหวานและมะเดือมีผลสุกอยู่ในที่ต่ำงามรุ่งเรืองกล้วยงาช้างกล้วยหอมผลจันทร์มีรสหวานเหมือนน้ำพึ่งรวงพึ่งไม่มีตัวมีในที่นั้น คนเอื้อมมือปรีดมาบริโภคได้เองในบริเวณอาสมนั้นมีต้นมะม่วงบางต้นออกช่อแย้มบานบางต้นมีดอกและใบร่วงหล่นผลิพลดาดดืนบางอย่างยังดิบบางอย่างสุกแล้วผลมะม่วงดิบและสุกทั้งสองอย่างนั้นมีสีดังหลังกบอนหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นบุรุษยืนอยู่ในภายใต้ต้น ก็เก็บมะม่วงสุกกินได้ผลมะม่วงดิบและสุกทั้งหลายมีสีสวยกลิ่นหอมและรสอร่อยที่สุดเหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าเหลือเกินถึงกับข้าพเจ้าออกอุทานว่าเออเออที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดรนั้นเป็นดังที่ประทับอยู่ของถวยเทพย่อมงดงามปานด้วยนันทนาวัน มูต้นตาลต้นมาพลา้าและอินทพะลัมที่มีอยู่ในป่าใหญ่มีดอกเรียงรายกันอยู่เหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้มูไม้เหล่านั้นย่อมปรากฏดังยอดธงชัยในบริเวณอาสมนั้นมีมูไม้ต่างๆพันคือไม้โมกมันโกศคานแครไฟลไม้บุญนาคบุญนาคเขาและไม้ทองหลาง มีดอกบานสะพรั่งสีต่างๆกันเหมือนหมู่ดาวเรื่องอยู่บนนภากาศฉนั้นอนหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นมีไม้ราชพฤกษ์ไม้มะเกลือกฤษตณารักดำต้นไซใหญ่ไม้รังไก่ไม้ประดูมีดอกบานสะพรั่งในบริเวณอาสมนั้นมีไม้มูกหลวงไม้สนไม้กระทุ่ม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 ณที่ใกล้สะโบคารณีนั้นมีฝูงนกดูเวา่าวเมารสดอกไม้ทรงเสียงไพเราะจับใจทำป่านั้นให้ดังอึกระทึกกึกก้องในเมื่อคราวหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำพึ่งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้ลงมาค้างอยู่บนใบบวัวย่อมชื่อว่าน้ำพึ่งใบบวัวอันหนึ่ง ลมทางทิศ ท, ทักษิณและทางทิศประจิมย่อมพัดมาที่อาสมนั้นอาสมเป็นสถานที่เกลื่อนกลนไปด้วยละอองเกสรปฐุมชาติในสระโบกครณีนั้นมีกระจับขนาดใหญ่ๆทั้งข้าวสาลีเกิดเองอ่อนบ้างแก่บ้างล้มดารดาดาตอยู่บนผ้าคืน้นและในสระโบกครณีนั้นน้ำใสสะอาดมองเห็นฝูงปลา เต่าและปูชนิดต่างๆเป็นอันมากแวกว่ายไปมาเป็นหมู่หมู่รสหวานปานน้ำผึ้งย่อมไหลออกจากเง่าบัวรสมันปานนมสดและเนยใสย่อมไหลออกจากสายบัวป่านั้นมีกลิ่นหอมต่างๆที่ลมรำเพยพัดมายม่อมหอมฟุ้งตลบไป ป่านั้นเหมือนดังจะชวนเชิญคนที่มาถึงแล้วให้เบิกบานด้วยดอกไม้และกิ่งไม้ที่มีกลิ่นหอ ม, มแมลงผู้ทั้งหลายต่างก็บินว่อนวูบบรรลือเสียงอยู่โดยรอบด้วยกลิ่นดอกไม้อันหนึ่งที่ใกล้อาสมนั้นฟูงวิหกเป็นอันมากมีสีต่างต่างกันบันเทิงอยู่กับคู่ของตนของตนร่ำร้องขานขั น, นแกกันและกัน มีฝูงนกอีกสีม่มูทำรังอยู่ใกล้สะโบกกรณีคือหมู่ที่หนึ่งชื่อว่านันทิกาย่อมร้องทูลเชิญพระเวสสันดรเจ้าให้ชื่นชมยินดียู่ในป่านี้มูที่สองชื่อว่าชีวปุตตาย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสี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 ประทับอยู่ณอาสมใดเมื่อท่านบ่ายหน้าไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาสมนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามะพร้าบทองจารุติมพรุขาได้แก่ต้นมะพร้าบทองคำว่ามะซางหวานมะทุมะทุกาได้แก่มะซางมีรสหวานคำว่างามรุ่งเรือง เทวันติได้แก่ย่อมไพโรธคำว่าเหมือนน้ำพึ่งมทุทติกาได้แก่เหมือนน้ำพึ่งหรือเช่นกับรวงพึ่งเพราะมีน้ำหวานไหลยเยิ้มคําว่ากล้วยงาช้างปาเรวตาได้แก่ต้นกล้วยงาช้างคําว่ากล้วยหอมพระเวยาได้แก่กล้วยมีผลยาว ข้อว่าปลิดมาได้เองสกะมาทายะความว่าถือเอารวงพึ่งนั้นบริโภคได้เองทีเดียวคำว่ามีดอกและใบร่วงหล่นโทวิลาได้แก่มีดอกและใบร่วงห ล, ล, ล, ล่นแล้วมีผลดาดเดินคำว่าผลมะม่วงดิบและสุกทั้งสองอย่างนั้นมีสีดังหลังกบเพงขวันนา ทูพยังความว่ามะม่วงทั้งสองอย่างนั้นคือดิบบ้างสุกบ้างมีสีเหมือนของสีหลังกบทีเดียวข้อว่าอนหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นบุรุษยืนอยู่ในภายใต้ต้นอเทธะเหตุถาปุริโสความว่าอนหนึ่งณนะอาสมนั้นบุรุษยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเหล่านั้น ย่อมเก็บผลมะม่วงได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นข้อว่ามีสีสวยกลิ่นหอมและรสอร่อยที่สุดวันนะคันธระสุตตมาได้แก่อุดมด้วยสีเป็นต้นเหล่านั้นข้อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แกข้าพระเจ้าเหลือเกินอเตวเมอัจชริยัง ได้แก่เป็นที่อัศจรรย์แกข้าพเจ้าเกินเปรียบคำว่าอืออือหิงกาโรได้แก่ทำเสียงว่าอืออือคำว่ามูต้นตานวิเพทิกาได้แก่ต้นตานข้อว่าเหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้มาลาวะคันธิตาความว่าดอกไม้ทั้งหลาย เรียงรายอยู่บนต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่งเหมือนพวงมาลัยที่นายมาลาการร้อยแล้วกองไว้ข้อว่าย่อมปรากฏดังยอดธงชัยทะชกคานวะทิสเรความว่าต้นไม้เหล่านั้นปรากฏราวกับยอดธงที่ประดับแล้วคำว่าไม้โมกมันโกศคานกุตตะชีกุตตะตะครา ได้แก่รุกขชาติอย่างหนึ่งชื่อว่าไม้โมกมันกอโกดและกอกฤษนาคำว่าบุญนาคเขาคิริปุญนาคาได้แก่บุญนาคใหญ่คำว่าไม้ทองหลางโกวิลาราได้แก่ต้นทองหลางคำว่าไม้ราชพฤกอุทาลกาได้แก่ต้นราชพฤกดอกสีเหลือง คำว่ารักดําพาลียาได้แก่ต้นรักดําคำว่าขนุนสัมมาลอและผู้ชาได้แก่ต้นขนุนสัมมาลอคำว่าต้นไซใหญ่ปุตตะชีวาได้แก่ต้นไซชนิดใหญ่คำว่าล้วนมีดอกเป็นพุ่มพวงดังลอมฟางปาราละคละสันนิพาพรานเจตบุตรกล่าวว่า พุ่มพวงดอกไม้ที่ลู่ลงต่ําของต้นไม้เหล่านั้นคล้ายลอมฟางคำว่าสโบกคารณีโปกคารณีได้แก่สโบกคารณีสี่เหลี่ยมคำว่าในสวนนันทนวันนันทนเนได้แก่เป็นราวกษสะนันทะโบกคารณีในนันทะวนาอุทยาน คำว่าเมารถดอกไม้ปุบระสมัตตาได้แก่เมาด้วยรสของบุพชาติคือถูกรสของบุพชาติกระตุน้นคำว่าจากเกสรดอกไม้มะกรันเทหิได้แก่จากละองดอกไม้คำว่าบนใบบัวย่อมชื่อว่าน้ำพึ่งใบบัวโปคเรโปคเรความว่า ละอองน้ำหวานร่วงจากเกสรดอกบัวเหล่านั้นลงบนใบบัวชื่อโปกครามทุน้ำพึ่งใบบัวซึ่งแพทย์ใช้เข้ายาเรียกว่าขันทศกรคำว่าทางทิศ ท, ทักษิณและทางทิศประจิมทักษินาอัถะปัชชิมาความว่าลมจากทิศน้อยทิศใหญ่ทุกทิศ ท, ท่านแสดงด้วยคำเพียงเท่านี้ คำว่ามีกระจับขนาดใหญ่ๆทูลาสิงคาตะกาได้แก่กระจับขนาดโตโตคำว่าข้าวสาลีเกิดเองภาษาทิยาได้แก่ข้าวสาลีเล็กๆซึ่งเป็นข้าวสาลีที่เกิดเองตั้งอยู่เรียกว่าข้าวสาลีขาวก็มีคำว่าล้มดาดอยู่บนภาคพื้นภาษาทิยา ได้แก่ข้าวสาลีเหล่านั้นแหละร่วงลงบนพื้นดินคำว่าชนิดต่างๆพยาวิธาความว่าเหล่าสัตว์น้ำชนิดต่างๆแหวกว่ายไปเป็นกลุ่มๆในน้ำใสว่ายไปตามลำดับปรากฏอยู่คำว่าปูมูปายานากาได้แก่ปูข้อว่ารสหวานปานน้ำผึ้ง จากเง่าบัวมาทุง่งพิงเสหิความว่าเมื่อเง่าบัวแตกน้ำรถไหลออกเช่นกับน้ำพึ่งคําว่ารสมันปานนมสดและเนยใสายจากสายบัวขีรังสับปิมูลาลิพิความว่าน้ำรถที่ไหลออกจากสายบัวเป็นราวกับเนยข้นเนยใสยผสมน้ำนม คำว่าเหมือนดังจะชวนเชิญให้เบิกบานสัมโมทิเตวะความว่าเป็นเหมือนจะยังชนที่ถึงแล้วให้ยินดีคำว่าบัรลือเสียงอยู่โดยรอบสมันตามะพินาทิตาความว่าเที่ยวบินร่ำร้องอยู่โดยรอบคำว่านันทิกาเป็นต้นเป็นชื่อของนกเหล่านั้นก็บันดานกเหล่านั้น นกหมูที่หนึ่งร้องถวายพระพรว่าข้าแต่พระเวสสันดรเจ้าขอพระองค์จงชื่นชมยินดีประทับอยู่ในป่านี้เถิดนกหมูที่สองร้องถวายพระพรว่าขอพระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงมีพระชนยืนนานด้วยความสุขสำราญเถิดนกหมูที่สามร้องถวายพระพรว่า ขอพระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีผู้เป็นที่รักของพระองค์จงทรงสาราญมีพระชนยืนนานไม่มีค่าศึกศัตรูเถิดนกหมู่ที่สร้องถวายพระพรว่าขอพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่รักของพระองค์ขอพระองค์จงเป็นที่รัก ของพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงชื่นชมโสมนัสกันและกันเถิดเพราะเหตุนั้นนกเหล่านั้นจึงได้มีชื่ออย่างนี้แหลคคำว่าทํารังอยู่ใกล้สะโบกครณีโปกครณีคราได้แก่ทํารังอาศัยอยู่ใกล้สะโบกครณีเมื่อพรานเจตบุตร แจ้งสถานที่ประทับของพระเวสสันดร อ, อย่างนี้แล้วชูชคยินดีเมื่อจะทำปฏิสันฐานจึงกล่าวคาถานี้ว่าเออก็ข้าวสตูผงอันรักคนด้วยน้ำพึ่งและข้าวสตูก้อนมีรสหวานอร่อยของลุงนี้อันอมิตตาปนาจัดแจงให้แล้วลุงจะแบ่งให้แก่เจ้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า ข้าวศัตรูสัตตุพัดตังได้แก่พัตตาหารคือข้าวศัตรูที่คล้ายน้ำพึ่งเคี่ยวมีคําอธิบายว่าข้าวศัตรูของลุงที่มีอยู่นี้นั้นลุงจะแบ่งให้แก่เจ้าเจ้าจงรับเอาเถิดพรานเจตบุตรได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์จงเอาไว้เป็นสเสบียงทางของลุงเถิด ข้าพเจ้าไม่ต้องการสเสบียงทางขอเชิญท่านรับน้ำพึ่งกับขาเนื้อย่างจากสำนักของข้าพเจ้านี้เอาไปเป็นสเสบียงทางอีกด้วยและขอท่านจงไปตามสบายเถิดหนทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวมาตามทางนี้ตรงไปถึงอาสมของอัจจุตฤรฤษีแม้อัจจุตตรฤษีอยู่ในอาสมนั้นมีฟันเคลอะ มีผมเกลือกกลวธทุลีทรงเพศเป็นพรามมีขอสำหรับสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดานุ่งห่มหนังเสือนอนเหนือแผ่นดินบูชาไฟลุงไปถึงแล้วเชิญถามท่านเถิดท่านจากบอกขนทางให้แก่ลุงบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสเบียงทางสัมภังได้แก่สเบียงเดินทาง คำว่ามาตามทางนี้เอติความว่าผลทางเดินได้เฉพาะคนเดียวมาตรงหน้าเราทั้งสองนี้ตรงไปอาสมบทคำว่าอัจจุตรืสีอัจจุโตความว่าฤาษีตนหนึ่งมีชื่ออย่างนี้อยู่ในอาสมนั้นชูชกผู้มีเผ่าพันธุ์พรม ได้ฟังคำของเจตบุตรดังนี้แล้วมีจิตยินดีเป็นอย่างยิ่งกระทาประทักษิณเจตบุตรแล้วได้เดินทางตรงไปณนะสถานที่ที่อจุตตรือศีสถิตอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเดินทางตรงไปเยนาสิได้แก่อจุตเตรือสีอยู่ณที่ใดชูชกไปแล้วในที่นั้นจุนวนวนาน า, นา จบ